บทนำจริยศาสตร์จริยธรรมและพุท ธ, ธจริยศาสตร์ 1. จริยศาสตร์คืออะไรการศึกษาวิชาทุกวิชาเราจำเป็นต้องหาคำจำกัดความหรือความหมายของวิชานั้นเสียก่อนเพื่อความเข้าใจแจ่มแจ้งในวิชานั้นเหมือนเราจะคบคนคนหนึ่งถ้าเราได้รู้เรื่องราวส่วนตัวเขาบ้างเช่น ระกูลการศึกษาพ่อแม่พี่น้องเป็นต้นก็จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายในการคบกันสะดวกแก่การให้อภัยและเห็นใจในความผิดพลาดบกพร่องบางอย่างเพราะเรารู้เรื่องของเขาจึงเข้าใจเขาสมดังคำว่าความเข้าใจทุกอย่างคือการให้อภัยทุกอย่างหมายความว่า เมื่อเราเข้าใจความจำเป็นอันเป็นมูลเหตุแห่งการกระทาของเขาแล้วเราย่อมให้อภัยได้โดยไม่ยากการให้อภัยในความบกพร่องผิดพลาดของผู้อื่นและเปิดโอกาสให้เขากลับตัวหรือแก้ตัวเสใหม่นั้นเป็นความปลื้มใจอย่างยิ่งของผู้ผิดพลาดและเป็นการแสดงถึงจิตใจอันสูงส่งของผู้ให้อภัย สมดังสุภาษิตอังกฤษบทหนึ่งว่า To e อ r is human, to forgive divine การทำผิดเป็นเรื่องของมนุษย์ส่วนการให้อภัยเป็นเรื่องของเทวดาหรือผู้มีใจสูงจริยศาสต์นั้นเป็นวิชาที่ทำให้คนใจสูงมีจิตใจเอื้ออาทรต่อผู้อื่นมีความประพฤติดีเว้นสิ่งที่ควรเว้น ทำสิ่งที่ควรทําแสวงหาคําตอบว่าอะไรดีอะไรชั่ววิเคราะห์เบื้องหลังแห่งพฤติกรรมของมนุษย์ว่าเขาประพฤติเช่นนั้นเช่นนั้นเพราะอะไรมีอะไรอยู่เบื้องหลังแห่งการกระทําของเขาคล้ายจิตวิทยามีข้อแตกต่างเพียงเล็กน้อยเช่น จิตวิทยาศึกษาพฤติกรรมของคนและอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับใจไม่ได้พิจารณาว่าถูกหรือผิดส่วนจริยศาสตร์พิจารณาถึงความถูกผิดดีชั่วของพฤติกรรมและอารมณ์นั้นๆด้วยเป็นต้นจริยศาสตร์เป็นคำสันสกฤตตามตัวอักษรแปลว่าศาสที่ว่าด้วยความประพฤต ข้อที่ควรประพฤติปฏิบัติตำราหรือวิชาที่ว่าด้วยความประพฤติถือเอาความอีกทีหนึ่งว่าวิชาหรือตำราอันว่าด้วยอะไรควรเว้นอะไรควรทำอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วที่ควรเว้นและควรทำนั้นเพราะอะไรเป็นต้นในสิ่งที่ดีด้วยกันนั้นอะไรดีที่สุด จริยศาสตร์จึงเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยอุดมคติทางศีลธรรมจริยศาสตร์ตรงกับคำอังกฤษว่า ethics ซึ่งหมายถึงศาสตร์ที่ว่าด้วยศีลธรรมหลักศีลธรรมกฎที่ว่าด้วยความประพฤติและพฤติกรรม the signs of morals the principles of morality rules of conduct and behavior ด้วยคำจากัดความนี้ท่านจึงจัดจริยศาสตร์เป็นสาขาหนึ่งของปรัชญาเรียกว่าปรัชญาศีลธรรม lending.Moral p h i l ส s o p h ่ส่วนวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆนั้นเดิมทีเดียวเป็นปรัชญาเหมือนกันท่านเรียกว่าปรัชญาธรรมชาติ .Natural Philosophy ต่อมารู้จักกันในนามวิทยาศาสตร์ นอกจากที่กล่าวมาแล้วจริยศาสตร์ยังว่าด้วยนิสัยอุปนิสัยและอัธยาศัยของมนุษย์อีกด้วยนิสัยนั้นคือการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งจนเคยชินทั้งทางดีและทางชั่วถ้าเคยชินไปในทางดีก็เป็นนิสัยดีถ้าเคยชินไปในทางชั่วเป็นนิสัยชั่วมีสุภาษิตฝรั่งอยู่ประโยคนึงว่าเธอที make ่ชา m สเม็ h แฮปป 30ครั้งสร้างนิสัยหมายความว่าทำอะไรซ้ำๆด้วยความสมัครใจด้วยความนิยมชมชอบแล้วจะสร้างเป็นนิสัยขึ้นเช่นคนไม่เคยสูบบุหรี่ลองสูบดูสักระยะหนึ่งก็จะติดบุหรี่มีนิสัยในการชอบบุหรี่คนที่เคยนอนตื่นสายหัดตื่นเช้าเสียสักสาสิบวัน ก็จะสร้างนิสัยตื่นเช้าอันเป็นนิสัยใหม่ของเขาความประพฤติของคนเรานั้นไม่ว่าทางดีหรือชั่วเมื่อสั่งสมทุกวันจนเคยชินแล้วก็จะเป็นนิสัยเหมือนเชือกที่ขวันเป็นเกลียวแล้วเพิ่มขึ้นวันละเกลียวนานวันไปเป็นเชือกเส้นใหญ่ยากที่จะตัดให้ขาดได้จึงควรสั่งสมความประพฤติที่ดีและเว้นความประพฤติที่ชั่ว นิสัยที่อย่างรากลึกแล้วนั่นเองกลายเป็นอุปนิสัยเปรียบเหมือนต้นไม้ที่อย่างรากลึกในแผ่นดินเป็นต้นไม้ถาวรถอนได้ยากอุปนิสัยคือลักษณะนิสัยอันถาวร อ, อีกคำหนึ่งที่ใช้แทนกันได้คือคำว่าสันดานแปลว่าทําสืบต่อกันมาเป็นเวลานานข้ามภพข้ามชาติอย่างเช่น พระพุทธเจ้านั้นได้รับการยกย่องว่าทรงมีพระอุปนิสัยอันดีมีพระสันดานบริสุทธิ์มาเป็นเวลานานหลายร้อยหลายพันชาติจึงทรงทำดีได้ง่ายทำชั่วได้ยากส่วนผู้ที่มีอุปนิสัยไม่ดีนั้นจะทำชั่วได้ง่ายทำดีได้ยากเพราะเขานิยมไปในทางชั่วอุปนิสัยนี่เองทำให้คนเราแตกต่างกันได้มากๆ และทำให้คนชาติหนึ่งแตกต่างจากคนอีกชาติหนึ่งเช่นคนไทยแตกต่างจากคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นแตกต่างจากคนอังกฤษและคนอังกฤษแตกต่างจากคนอินเดียเป็นต้นอุปนิสัยของคนในชาติรวมๆกันทำให้คนชาตินั้นมีลักษณะของตนขึ้นมาเช่นชอบสนุกลื่นเริงรรหรือเคร่งขรึมเอาจริงเอาจังเป็นต้น ส่วนอัธยาศัยนั้นเพ่งเล็งไปทางความหยาบหรือประนีดของจิตใจเช่นมีจิตใจอ่อนโยนหรือแข็งกระด้างละเอียดอ่อนประนีดเพียงใดเป็นต้นตัวอย่างเช่นไม้สักเป็นไม้เนื้อดีเปรียบเหมือนคนที่มีวุปนิสัยดีแต่ไม้เนื้อดีนั้นถ้ายังไม่ได้ตกแต่งให้ประนีดโดยการเลื่อยใส่กบ ขัดกระดาษทรายลงเแลักเป็นต้นก็ยังดูไม่ประนีตยังหยาบอยู่ใช้ทำพื้นหรือฝาไม่ได้เมื่อทำให้ประณีตด้วยกรรมวิธีดังกล่าวแล้วจึงเป็นไม้เนื้อดีที่สวยงามควรเป็นพื้นหรือฝาได้คนเราก็เหมือนกันคนที่มีอุปนิสัยดี แต่ถ้ายังไม่ได้ขัดเกลวให้ประนีตไม่ได้ฝึกฝนให้มีอัธยาศัยงามก็ยังบกพร่องอยู่อย่างที่เรามักได้ยินพูดกันว่าปากร้ายใจดีเป็นต้นสแสดงว่าคนนั้นใจเขาดีแต่ปากร้ายอย่างนั้นเองถ้าเขาพูดดีด้วยมีมารยาทงามด้วยเขาจะดีสักเพียงใดลองนึกดู เหมือนไม้เนื้อดีที่ขัดถูให้ประนีตเรียบร้อยแล้วจึงเป็นผู้ดีพร้อมทั้งกายวาจาใจหรือเหมือนผ้าเนื้อดีสีสวยรูปทรงงามย่อมประทับใจผู้ใช้และผู้ได้เห็นนิสัยอุปนิสัยและอัธยาศัยนั้นเป็นส่วนภายในของคนเรารู้สิ่งเหล่านี้ได้จากความประพฤติของเขา ซึ่งปรากฏออกมาทางกายวาจาความประพฤติจึงเป็นเหมือนกระจกเงาส่องให้เห็นอุปนิสัยของคนเป็นต้นรูเล็กๆที่ช่องฝาหรือช่องประตูทำให้เรามองเห็นพฤติกรรมของคนในห้องทั้งหมดได้ฉันใดความประพฤติหรือการกระทำของคนแม้เพียงเล็กน้อยในบางเรื่องก็อาจทำให้ผู้อื่น มองเห็นอุปนิสัยของเขาได้ฉันนั้นจริยศาสตร์ได้ช่วยตีค่าของมนุษย์โดยมองทางนิสัยใจคอและความประพฤติที่แน่นอนตามที่บุคคลเหล่านั้นสมัครใจทํามนุษย์แต่ละคนมีหน้าที่หลายอย่างเช่นมีหน้าที่ต่อพ่อแม่พี่น้องบุตรภรรยาหรือสามีเพื่อนฝูงผู้บังคับบัญชาและ ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นต้นบางทีมีหน้าที่หลายอย่างประดังกันเข้ามาพร้อมๆกันแต่ไม่อาจทําพร้อมกันได้ต้องเลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งในฐานะเป็นนักเรียนเขามีหน้าที่เรียนหนังสือแต่บางคราวเขาต้องหยุดเรียนเพื่อพยาบาลแม่หรือพ่อซึ่งกําลังป่วยเด็กอีกคนหนึ่งกําลังจะเข้าสอบไล่ปลายปี แต่เขาได้รับโทรเลขจากบ้านต่างจังหวัดว่าแม่กำลังป่วยหนะักขอให้รีบไปพบแม่เขาควรจะทำอย่างไรเขาควรทำอย่างไหนก่อนพักอย่างไหนไว้อะไรคือความดีโดยตรงซึ่งเขาควรทำอะไรคือความดีโดยอ้อมซึ่งเขาค่อยทำทีหลังได้อะไรจำเป็นที่สุดในเวลานั้นอะไรคือความดีอันสูงสุดซึ่งเขาต้องปีนป่ายขึ้นไปให้ถึง ในการนี้จะต้องทิ้งความดีอื่นๆบางอย่างไว้ก่อนโดยในยะดังกล่าวมานี้จริยศาสตร์จึงพยายามศึกษาถึงอุดมการหรืออุดมคติ ideals ของชีวิตมนุษย์แล้วแสดงให้เห็นว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำแม้สิ่งที่เห็นว่าควรทำแล้วก็ชี้ต่อไปว่าควรทำอย่างไร จริยศาสตร์พูดถึงความดีอันสูงสุดของมนุษย์เท่าที่มนุษย์จะมีได้จะขึ้นให้ถึงได้ให้เลือกทำสิ่งที่มีคุณค่าเหนือกว่าเมื่อมีสิ่งที่มีคุณค่าด้วยกันหลายๆอย่างขอย้ำไว้เป็นตอนสุดท้ายว่าจริยศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยความถูกความผิดความดีความชั่วและวิเคราะห์ถึงความดีอันสูงสุด ความดีตามอุดมคติไม่ใช่ความดีที่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเห็นว่าดีแต่ต้องการให้เป็นความดีสากลที่เรียกว่า objective good นั่นเองประโยชน์ของจริยศาสตร์จริยศาสตร์มีประโยชน์อย่างไรกล่าวโดวยย่อดังนี้หนึ่งถ้าพิจารณาด้วยดีจะเห็นว่า ในสังคมมนุษย์นั้นมีทั้งการกระทำที่ถูกและการกระทำที่ผิดมีทั้งผู้ทำถูกและผู้ทำผิดผู้ใดทำสิ่งที่ถูกเราเรียกเขาว่าเป็นผู้ถูกผู้ใดทำสิ่งที่ผิดเราเรียกเขาว่าเป็นผู้ผิดคล้ายๆวันโรคบวกกับคนเราเรียกเขาว่าคนเป็นวันนรคดีบวกกับคนเราเรียกเขาว่าเป็นคนดีเป็นต้น ในการประกอบกิจการต่างๆนั้นบางคนทำได้ดีบางคนทำได้ไม่ดีตัวอย่างอาชีพแพทย์และครูบางคนเป็นแพทย์ที่ดีบางคนเป็นแพทย์ที่เลวบางคนเป็นครูที่ดีบางคนเป็นครูที่เลวทำไมจึงเป็นอย่างนั้นจารยศาสตร์จะช่วยแก้ข้อข้องใจในเรื่องนี้ให้เราได้เพราะจริยศาสตร์ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ และเบื้องหลังแห่งพฤติกรรมนั้นจริงอยู่จิตวิทยาสอนว่าอย่าพูดว่าใครถูกใครผิด who is right who is wrong ให้พูดว่าอะไรถูกอะไรผิด what is right what is wrong ที่สอนเช่นนี้ก็เพื่อชี้ลงไปที่การกระทำไม่ชี้ลงไปที่บุคคล และเป็นแนวทางแห่งจิตวิทยาในการให้เกียรติบุคคลเพื่อไม่ให้เขาเสียกำลังใจเพราะโดยปกติคนเราไม่ค่อยชอบให้ใครมาพูดว่าเราผิดแต่ถ้าใครว่าเราถูกกลับชอบแต่ในชีวิตธรรมดาเมื่อเราพูดถึงใครและพูดถึงการกระทำของเขาเราชอบพูดโดยภาษาสามัญว่าเขาถูกหรือผิดดีหรือชั่วอยู่นั่นเอง คนเราไม่ได้มีความสามารถไปเสียทุกด้านบางคนมีความสามารถสูงมากทางเทคนิคและการบริหารธุรกิจแต่โง่ามากเมื่อพูดถึงความสำนึกในคุณค่าทางจิตใจหรือคุณค่าแห่งชีวิตด้านใน inner life เขาจึงหาความสงบสุขไม่ได้แม้จะร่ำรวยและมีชื่อเสียงเพราะเขารู้จักชีวิตเพียงซีกเดียวแต่ถ้าเขาได้ศึกษาจริยศาสตร์ ก็จะช่วยให้เขากระทําในทางที่ถูกที่ควรนำสิ่งที่เขาได้ศึกษานั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ความสามารถที่มีอยู่เดิมนั่นเองทำให้เขาเป็นคนที่สมบูรณ์เข้าใจผู้อื่นเข้ากับคนอื่นได้ดีขึ้นและมีความสุขใจขึ้น 2. ชีวิตในสังคมมนุษย์ควรจะมีระเบียบตามสมควรเพื่อให้ชีวิตของเรามีระเบียบ เราควรยอมรับระเบียบกฎเกณฑ์บางอย่างของสังคมที่เห็นด้วยปัญญาแล้วว่ามีประโยชน์เป็นไปเพื่อความดีความสุขและยอมรับความจริงบางอย่างในสังคมเช่นสังคมได้เปลี่ยนไปแล้วอย่างไรเราต้องเข้าใจบางสิ่งบางอย่างหรือปรับตัวปรับใจให้ถูกต้องไม่ตะแบงแข็งขันหรือเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างดื้อรั้นถือดีไม่ฟังเสียงใด และเข้าไปขวางหรือฝืนอย่างแข็งทื่อไม่ยืดหยุ่นตามกรณีอันควรซึ่งจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนและขัดแย้งโดยไม่จำเป็นนอกจากนี้เราจะต้องมีหลักในการดำเนินชีวิตรวมทั้งข้อปฏิบัติที่จะทำให้เราเจริญขึ้นมีความก้าวหน้าในชีวิตตามสมควรทั้งนี้ต้องหมายความว่าก้าวหน้าไปในทางที่ดีงาม ทางที่เป็นบุญกุศลทางที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและชุมชนจริยศาสตร์จะช่วยเราได้มากในเรื่องนี้เพราะจริยศาสตร์จะชี้ทางแห่งอุดมคติให้สมกับคำเอติก s จริยศาสตร์ซึ่งเป็นวิถีชีวิต The Way of Life 3. ความประพฤติทางศีลธรรมและหลักจริยศาสตร์นั้นทั้งในอดีตและปัจจุบัน เป็นหลักเพื่อเพิ่มพูนสติปัญญาเพื่อพัฒนาเชื้อชาติเพื่อความประพฤติที่ดีงามเพื่อให้คนได้ทำหน้าที่อันถูกต้องเหมาะสมในฐานะนั้นๆให้มีมโนธรรม c o n s c i e n คือความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมีฮิริโอตับ ป, ปะคือความละอายในสิ่งที่ควรละอายเกรงกลัวต่อสิ่งอันควรเกรงกลัวกล้าในสิ่งอันควรกล้า เพิ่มพูนบุญกุศลให้แก่ชีวิตทุกๆวัน 4. จริยศาสตร์บอกให้เรารู้คุณค่าอันแท้จริงของชีวิตพยายามตอบคำถามที่ว่าอะไรคือคุณค่าที่เราควรสแสวงหาโดยไม่เสียเวลาเปล่าคือคุ้มเหนื่อยมีคุณค่าควรแก่การลงทุนลงแรงในระยะต้นๆแห่งชีวิตมนุษย์เรามักใช้เวลาให้เสียไปมาก โดยไม่ได้อะไรให้คุ้มกันและมักจะรู้สึกเสียดายภายหลังเมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้วเราจึงมักได้ยินคนผู้ใหญ่พูดเสมอว่าถ้าใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เมื่อวัยเด็กหรือวัยหนุ่มเวลานี้คงจะดีกว่านี้แต่เวลาเป็นสิ่งที่เสียแล้วก็เสียไปเลยเรียกคืนไม่ได้มนุษย์เราได้ทำเวลาให้ศูนย์เปล่าและค่อนข้างจะเป็นโทษเสียด้วย จึงเป็นสิ่งที่น่าเสียดายอย่างยิ่งคนบางคนที่ทำอะไรได้มากและทำได้ดีด้วยนั้นเพราะเขามีสติปัญญามีความเพียรและใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นั่นเองเขาได้กำหนดคุณค่าแห่งชีวิตเอาไว้อย่างถูกต้องเหมาะสมบุคคลที่ไม่ได้กำหนดคุณค่าแห่งชีวิตของตนไว้ให้แน่นอนเหมาะสมนั้นจะมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขไม่ได้เลย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 และช่วยเป็นแรงบรรดาลใจให้มนุษย์พยายามสแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดมีคุณค่าที่สุดในชีวิตของตนจริยศาสตร์จึงเป็นประโยชน์แก่ชีวิตโดยตรงเป็นศาสตร์แห่งคุณค่าอันควรแก่การศึกษาอย่างยิ่ง 2. จริยธรรมคืออะไรจริยธรรมแปลว่าธรรมที่ควรประพฤติตามคำแปลนี้ เพลงไปทางฝ่ายดีคือบุญหรือกุศลธรรมจริยธรรมตรงกับคำอังกฤษว่า e t h i c a l y คล้าย ethics ที่หมายถึงจริยศาสตร์นั่นเองมงคลในพระพุทธศาสนามีอยู่ข้อหนึ่งเรียกว่าธรรมจริยาแปลว่าการประพฤติ ธ, ธรรมหรือประพฤติถูกต้องในที่นั้นท่านกล่าวถึงการประพฤติกุศลกรรมบทสิ คือทางแห่งกุศลทางแห่งการบำเพ็ญคุณงามความดีสิบประการว่าเป็นธรรมจริยาคือเว้นจากการฆ่าการลักการประพฤติผิดในการมเว้นจากการพูดเท็จพูดสอดเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อเว้นจากโลภอยากได้ของผู้อื่นการปองร้ายผู้อื่นและความเห็นผิดธรรมจริยานี้ ถ้ากลับคำจริยามาไว้ข้างหน้าเสียก็จะเป็นจริยธรรมจริยธรรมหรือศีลธรรมนั้นจะมีความหมายคล้ายคลึงกันหรือเกี่ยวกันจะเรียกว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็ได้โดยทั่วไปศีลหมายถึงการเว้นสิ่งที่ควรเว้นธรรมหมายถึงการประพฤติสิ่งที่ควรประพฤติการที่คนเรารู้ แล้วเว้นสิ่งที่ควรเว้นและทาสิ่งที่ควรทำได้นั้นนับว่าเป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อสังคมอย่างใหญ่หลวงความสำคัญและประโยชน์ของจริยธรรมมองกว้างๆจริยธรรมหรือศีลธรรมมีประโยชน์และจำเป็นต่อสังคมดังนี้ 1. จริยธรรมเป็นรากฐานอันสาคัญแห่งความเจริญรุ่งเรือง ความมั่นคงและสงบสุขของปัจเจกชนสังคมและประเทศชาติอย่างยิ่งรัฐควรมีแนวนโยบายให้ประชาชนมีจริยธรรมอันดีเป็นหลักประการแรกและถือว่าเป็นอุดมคติทีเดียวส่วนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและอื่นๆให้เป็นอันดับรองลงมาทั้งนี้เพราะการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การศึกษาวิชาการและการเมืองการปกครองซึ่งไม่มีจริยธรรมเป็นแกนกลางหรือเป็นหลักยึดแล้วย่อมให้โทษมากกว่าให้คุณเพราะคนจะนำสิ่งเหล่านั้นไปใช้ในทางเสียมากกว่าทางดีผู้มีความรู้มากแต่ไม่รู้จักวิธีที่จะประพฤติตนย่อมก่อความเสื่อมเสียได้มากกว่าผู้มีความรู้น้อย ถ้าเปรียบความรู้เหมือนดินจริยธรรมย่อมเป็นเหมือนน้ำดินที่ไม่มีน้ำยึดเหนียวเกาะกุมย่อมเป็นฝุ่นละอองให้ความรำคาญมากกว่าให้ประโยชน์คนที่มีความรู้แต่ไม่มีจริยธรรมจึงมักเป็นคนที่ก่อความรำคาญหรือความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นอยู่เนเมือ ง, องความประพฤติตัวเป็นสิ่งสาคัญของคนเรา ในการนำชีวิตให้ผาสุกหรือลำเค็ญและในการทำความเป็นของตนให้เป็นสาระประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันการเรียนวิชาความรู้ต้องทำคนเรียนให้มีความสามารถในกิจการจึงจะได้ชื่อว่าสำเร็จประโยชน์ในการเรียนแต่ผู้มีความสามารถดังนั้นแล้วแต่ประพฤติตัวไม่ดี ก็ไม่มีใครพอใจคบหาสมาคมด้วยเป็นอันไม่มีทางนำชีวิตไปโดยผาสุขเข้าภาสิทธว่ามีความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดความประพฤติตัวนั้นควรหัดมาแต่ยังเล็กโดยลำดับจึงจะเป็นปกติจริตติดตัวไปเมื่อเด็กมาอยู่ในสำนักครูครูควรเอาใจใส่ฝึกสอนธรรมปฏิบัติ คราวละเล็กละน้อยเสมอไปและคอยตรวจตราดูแลความประพฤติด้วยถ้าเห็นประพฤติผิดก็ต้องหมั่นว่ากล่าวสั่งสอนชี้โทษชี้คุณให้เห็นการสอนให้นักเรียนรู้สึกด้วยน้ำใจของเขาในสิ่งที่ควรเว้นหรือควรประพฤตินั้นเป็นปกติจะติดตัวไปข้างหน้าเช่นนี้การสอนวิชาความรู้ในโรงเรียน จึงจะสำเร็จประโยชน์เต็มที่ให้ความรู้ทั้งความสามารถและความฝึกตัวครูไม่ควรทอดทุระในการฝึกสอนธรรมปฏิบัติแก่นักเรียนเลยจากหนังสือเรื่องการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิระญาณวรโรรสมหามุมุฏราชวิทยาลัยพศ2514 2. การพัฒนาบ้านเมืองต้องพัฒนาจิตใจของคนก่อนหรืออย่างน้อยก็ให้พร้อมๆกันไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการศึกษาวิชาการอื่นๆเพราะการพัฒนาที่ไม่มีจริยธรรมเป็นแกนนำนั้นจะสูญเปล่าเส่นเป็นอันมากทำให้บุคคลร่วมหลงในวัตถุและอบายามุกมากขึ้นจริยธรรมในสังคม จึงควรได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรกถ้าจริยธรรมดีขึ้นอบายามุกลดลงแล้วเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชนก็จะดีขึ้นที่เศรษฐกิจต้องเสื่อมโทรมประชาชนบางส่วนต้องหิวโหวยนั้นเพราะชนบางส่วนของสังคมนั่นเองละเลยจริยธรรมกอบโกยเอาทรัพย์สินไว้เป็นประโยชน์ส่วนตัวมากเกิน ด้วยวิธีการต่างๆความเห็นแก่ตัวจัดแด้งน้ำใจเอารัดเอาเปรียบขาดเมตตาปราณีในการดำเนินการทางเศรษฐกิจนั่นมิใช่สั ญ, ญลักษณ์ของการขาดจริยธรรมดอกหรือถ้าไม่ยอมให้จริยธรรมก้าวขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในการพัฒนาบ้านเมืองก็ควรให้เดินเคียงคู่กันไปกับการพัฒนาด้านอื่นๆ มิฉนั้นแล้วความวุ่นวายในสังคมหาสิ้นสุดลงได้ไหมเพราะการพัฒนาที่ยั่วยุให้คนมีความโลภและมีตันหามากขึ้นนั้นมีแต่จะก่อความยุ่งเหยิงซับซ้อนให้แก่มนุษย์มากขึ้น 3. พูดถึงจริยธรรมคนส่วนมากเลงไปถึงการถือศีลกินเพน เข้าวัดฟังธรรมจำศีลภาวนาไม่ทำอย่างอื่นอันช่วยให้สังคมก้าวหน้าแต่ตามความเป็นจริงแล้วจริยธรรมหมายถึงความประพฤติการกระทำและความคิดที่ถูกต้องเหมาะสมการทำหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องสมบูรณ์เว้นสิ่งควรเว้นกระทำสิ่งที่ควรทำด้วยความฉลาดรอบคอบ รู้เหตุรู้ผลถูกต้องตามกาลเทศะและบุคคลนำเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้ในชีวิตประจาวันโดยในยะนี้จะเห็นว่าจริยธรรมมีคุณค่าและจำเป็นสำหรับคนทุกคนในทุกอาชีพทุกสังคมสังคมจะอยู่รอดได้ก็ด้วยจริยธรรมจะสงบสุขหรือวุ่นวายก็ขึ้นอยู่กับจริยธรรม ที่ปัจเจกชนครอบครัวหรือสังคมนั้นๆประพฤติปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใดคุณมาซาโนบุฟุกุโอกะนักเกษตรกรรมธรรมชาติชาวญี่ปุ่นมีวาทว่าแม้ในการเกษตรเป้าหมายสูงสุดของเกษตรกรรมไม่ใช่การเพราะปลูกพืชผลแต่คือการบ่มเพาะความสมบูรณ์แห่งความเป็นมนุษย์ การบำรุงรักษาผืนแผ่นดินและการชำระจิตใจของมนุษย์ให้บริสุทธิ์เป็นกระบวนการเดียวกัน 4. การทุจริตคดโกงในวงการต่างๆการเบียดเบียนกันในรูปแบบต่างๆอันเป็นเหตุให้สังคมเสื่อมโทรมมีสาเหตุที่แท้จริงมาจากการขาดจริยธรรมของคนในสังคมนั้นๆ ทรัพยากรธรรมชาติในโลกนี้น่าจะพอเลี้ยงชาวโลกไปได้อีกนานถ้าชาวโลกช่วยกันละทิ้งความละโมบโลภมากเสียแล้วมามีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายและช่วยกันสร้างสรรค์สังคมโดยยึดเอาจริยธรรมเป็นทางดําเนินไม่ใช่ยึดเอาลาบยศความมีหน้ามีตาในสังคมเป็นจุดมุ่งหมาย ถ้าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นก็ให้ถือเป็นเพียงผลพล่อยได้และนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการประพฤติ ธ, ธรรมเช่นอาศัยลาบผลเป็นเครื่องมือในการบาเพ็ญสาธารณประโยชน์อาศัยยศและความมีหน้ามีเกียรติในสังคมเป็นเครื่องมือในการจูงคนผู้เคารพนับถือเข้าหาธรรมห จริยธรรมสอนให้เราเลิกดูหมิ่นกดขี่คนยากจนให้เอาใจใส่ดูแลเอื้ออาทรต่อผู้สูงอายุซึ่งเป็นบุพการีของชาติสอนให้เราถ่อมตัวเพื่อเข้ากันได้ดีกับคนทั้งหลายไม่วางโตโอหังอวดดีหรือก้าวร้าวผู้อื่นสอนให้เราลดทิฐิมานะลงให้มากๆ เพื่อจะได้มองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงไม่หลงตัวคิดวิปลาสไปว่าตนสำคัญกว่าใครๆรู้ดีและสามารถกว่าใครๆหมดจริยธรรมสอนให้ผู้นำสังคมหรือผู้นำรัฐมีจริยธรรมสูงเพื่อเป็นที่เคารพกราบว่าอย่างสนิทใจของคนทั้งหลายผู้นำรัฐหรือผู้นำชุมชน ควรเป็นผู้สามารถนำความสงบสุขทางใจมาสู่มวลชนอีกด้วยบวงชนควรเลือกบุคคลผู้มีคุณลักษณะดังกล่าวมาเป็นผู้นำของตนสันติสุขจะเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกเพราะความสามารถของผู้นำเช่นนั้นความแข็งแกร่งทางกําลังกายกําลังทรัพย์และกําลังอาวุธนั้น ถ้าปราศจากความแข็งแกร่งทางจริยธรรมเสียแล้วบุคคลหรือประเทศชาติจะเจริญมั่นคงอยู่นานไม่ได้สมเด็จพระมหาสมณเจา้ากรมพระยาวชิระยาณวรโรรสได้ตราดไว้ในหนังสือมหาสมโนวาาว่าสกุลก็ดีชาติก็ดีจะทรงอยู่ได้โดยสวัสดีก็เพราะถือธรรมเป็นหลักดุจเดียวกับบุคคล ปราศจากธรรมแล้วแม้ชาติก็อาจสาบสูญหรือร่วงโรยลงไปดังเคยมีตัวอย่างในตำนานนั้นๆไม่ต้องกล่าวถึงสกุลอันจักเป็นได้ก่อนเพราะอย่างนั้นคือเพราะไม่มีธรรมเป็นเครื่องรักษาอันจะรักษาสกุลรักษาชาติต้องรักษาธรรมเป็นคู่กันนี้ได้แก่ถือพระศาสนาอีกประการหนึ่งสกุลก็ดีชาติก็ดี จะดำเนินไปในวิถีแห่งธรรมก็ต้องมีคุลทายาตคือผู้สืบสกุลและชาตินายกคือผู้นำชาติที่ดีเป็นผู้นำสังคมที่เจริญมั่นคงต้องมีจริยธรรมเป็นเครื่องรองรับหรือเป็นแกนกลางเหมือนถนนที่มั่นคงและตึกที่แข็งแรงเขาใช้คอนกรีตเสริมเหล็กแม้เหล็กจะไม่ปรากฏออกมาให้เห็นภายนอก แต่ก็มีความสำคัญอยู่ภายในในายช่างย่อมรู้ดีทํานองเดียวกับบัณฑิตย่อมมองเห็นอย่างแจ่มแจ้งว่าจริยธรรมมีความสำคัญในสังคมเพียงไรรวมความว่าจริยธรรมทั้งส่วนบุคคลและส่วนสังคมนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดสำคัญเท่าหรือสำคัญกว่าเสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัย และยารักษาโรคเสียอีกเพราะถ้าปราศจากจริยธรรมเสียแล้วปัจจัยเครื่องอาศัยเหล่านั้นก็จะกลายเป็นพิษขึ้นมาทันทีจริยธรรมนั่นเองจะช่วยรักษาเสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคของบุคคลและสังคมไว้แม้ชีวิตก็เหมือนกันจริยธรรมได้ช่วยคุ้มครองรักษาไว้นิฉนั้นแล้ว ชีวิตจะถูกทำลายลงไปก่อนเวลาอันสมควรโดยบุคคลผู้มีจิตหมักห ม, มมอยู่ด้วยบาปปราศจากจริยธรรมเสียแล้วเด็กหนุ่มจะมั่วสุมอยู่ด้วยอบายมุกนานับประการเด็กสาวจะลหลงไหลมัวเมาอยู่กับแฟชั่นต่า ง, า ง, างและจะถูกขมเหงรังแกไม่เว้นวันผู้ใหญ่จะหมกมุ่นอยู่ด้วยการช่วงชิงอำนาจและผลประโยชน์ทางทรัพย์สิน แล้วเบียดเบียนกันคนชราผู้เป็นบุพการีของชาติจะถูกทอดทิ้งให้ว้าเวไร้ที่พึ่งพิงนักบวชจะมีชีวิตอยู่อย่างรวงโลกไร้ ย, ย่างอายวางโตอวดมั่งอวดมีเมื่อเป็นดังนี้ลองคิดดูเถิดว่าสังคมนี้โลกนี้จะน่าขยะขขยงน่ารังเกียจเพียงใดในทางกลับกัน สังคมใดอกบ่วนไปด้วยจริยธรรมเด็กหนุ่มจะตั้งหน้าศึกษาเล่าเรียนบำรุงกําลังกายกําลังสมองกําลังสติปัญญาและกําลังใจให้แข็งแกร่งเพื่อเตรียมตัวไว้รับใช้ชาติเด็กสาวก็ทำนองเดียวกันประพฤติตนอยู่ในธรรมของสตรีน่ารักน่าถนอม ทำตนเป็นกำลังอันสำคัญของครอบครัวและสังคมผู้ใหญ่ตั้งหน้าทำงานตามหน้าที่เต็มความสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในทางดีเพื่อเป็นหลักและเป็นตัวอย่างที่ดีของอนุชนคนแก่เฒ่าตั้งอยู่ในศีลธรรมจิตใจสงบระงับเป็นที่พึ่งพิงทางใจของลูกหลานนักบวชมีชีวิตอยู่อย่างบริสุทธิ์ ทั้งอาชีพและอาจาระคือความประคฤติเมื่อเป็นดังนี้ลองคิดดูเถิดว่าสังคมนั้นจะรื่นรมน่าอยู่สักเพียงใดนี่คือความสำคัญและประโยชน์ของจริยธรรมทำอย่างไรคนในชาติของเราจึงจะมีจริยธรรมอันน่าพอใจคำตอบในเรื่องนี้ก็คือ เราต้องปลูกฝังคนของเราให้เห็นคุณค่าของจริยธรรมอย่างจริงจังให้เห็นคุณค่าภายในหรือคุณค่าแท้ (Intrinsic Value) มากกว่าคุณค่าภายนอกหรือคุณค่ารอง (Extrinsic Value) กล่าวคือให้เห็นคุณค่าของคุณธรรมมากกว่าความมั่งคั่งยศศักดิ์ชื่อเสียง ให้เห็นความสุขจากความสงบและความเรียบง่ายมีค่าเหนือความหรูหราฟุ้งเฟอ้อฟุ่มเฟืยให้เห็นความสุขอันเกิดจากสติปัญญาและคุณธรรมมีค่าเหนือสุขทางผัสะหรือโลกีสุขถ้าเห็นได้อย่างนั้นก็ถือว่าเป็นการเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงนั่นเองวิธีปลูกฝังทำอย่างไร วิธีปลูกฝังก็ด้วยการแนะนําพร่ำสอนทําตัวอย่างให้ดูผู้ใหญ่ในครอบครัวผู้นําในสังคมทุกระดับต้องทําตัวอย่างให้ดูมีชีวิตอยู่อย่างอุดมคติให้ดูมีความสุขอย่างเรียบง่ายให้ดูอันที่จริงชีวิตที่เรียบง่ายที่สุดนั่นแหละเป็นชีวิตที่ดีที่สุดศีลธรรมนั่นแหละเป็นวิถีที่ดีที่สุด เพื่อความสงบสุขของชีวิต The simplest life is the best life Morality is the best way of life เราต้องปลูกฝังคนของเราให้เห็นคุณค่าของผู้มีความรู้ดีสามารถดีและจะริยธรรมดีเขาจะเกิดในตระกูลไหนไม่สำคัญจะยากจนหรือมั่งมีอย่างไรไม่สำคัญเมื่อมีคุณสมบัติดังกล่าว ก็ควรได้รับการยกย่องเชิดชูปลูกฝังคนของเราให้เลิกริษยากันเลิกใส่ร้ายป้ายสีกันให้ถือเอาคนดีเป็นตัวอย่างในสังคมเราต้องปลูกฝังคนของเราให้รักหน้าที่มากกว่าความสุขสบายส่วนตัวให้รักษาความซื่อสัตย์สุจริตมากกว่าผลประโยชน์อันได้มาโดยมิชอบ และให้รักษาความดีความสุขใจไว้เสมอแม้คนเหล่าอื่นจะพากันละทิ้งความดีและเป็นอยู่ด้วยความวุ่นวายก็ตามถ้าเราทำได้อย่างนี้ภายในห0ิปีจริยธรรมในสังคมของเราจะขึ้นสู่ระดับอันน่าพอใจภายในร้อยปีจริยธรรมจะอย่างรากลึกมั่นคงและจะเจริญเติบโตไปนาน ชาติของเราจะแข็งแกร่งประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขเป็นชาติตัวอย่างในโลกอีกชาติหนึ่งที่โลกจะเอ่อยอ้างถึงด้วยความนิยมชมชอบชาติที่มีบุคคลผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติดังกล่าวย่อมมีแต่ความเจริญไม่เสื่อมจริยธรรมเป็นรากฐานแห่งความเจริญของบุคคลและของชาติการช่วยกันมีจริยธรรม ดึงเท่ากับช่วยให้รากฐานแห่งความเจริญของชาติมั่นคงเรามาสร้างตนสร้างสังคมและชาติด้วยการมีจริยธรรมกันเถิดชื่อว่าได้สร้างพลังอันยิ่งใหญ่ให้แก่ตนและแก่สังคมของมนุษยชาติในกรณีนี้เราต้องเปลี่ยนทัศนคติจากวัตถุนิยมมาเป็นจริยธรรมหรือปัญญานิยม สังคมมนุษย์จึงจะอยู่รอดได้สมกับคำของท่านอัลเบิร์ตไอซายที่ว่าต้องมีระบบความคิดใหม่ถ้ามนุษยชาติจะอยู่รอดได้ว e แชร์เ r e วายอัซ s ับซ t นเชอร l ่น n วแมน n นอร์ออฟธิงกิ if mankind is to survive ด็อกเตอร์ราทากฤษณนันนักปรัชญานามอุโคธแห่งอินเดียได้กล่าวไว้ว่า ความคิดมีอิทธิพลยิ่งใหญ่ต่อชีวิตและสังคมของมวลมนุษย์ความเป็นของเราเป็นผลแห่งความคิดของเรา All that we are is the result of what we have thought ในแง่หนึ่งเราคิดว่าเราอยู่ในโลกแห่งวัตถุแต่อีกแง่หนึ่งซึ่งเป็นแง่ที่สำคัญกว่าเราอยู่ในโลกแห่งความคิดถ้าเราเปลี่ยนความคิดได้ชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนไป ลักษณะความเป็นอยู่ของโลกก็จะพลอยเปลี่ยนไปด้วยจากหนังสือ The t h a m a p a d a ของท่านราธากริชนันอ็อก r ฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้เพรสนาทัศนะของท่านอัลเบิร์ตไอนไน์และของท่านราธากรษนันราตะวันตกและตะวันออกในยุคสมัยที่ใกล้กันลงรอยเดียวกันคือให้ความสำคัญแก่ความคิด ถ้าเราจะเปลี่ยนโลกต้องเปลี่ยนความคิดของโลกก่อนจบตอนนี้ด้วยวาทะของท่านพุทธทาสภิกขุปราชผููยิ่งใหญ่ของไทยในยุคปัจจุบันท่านผู้เป็นธรรมนิยมได้กล่าวถึงความสำคัญของจริยธรรมไว้ว่าธรรมะสามารถช่วยได้ในทุกกรณีอย่างแท้จริงหากแต่บัดนี้เรายังไม่รู้จักธรรมะอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ โดยนำมาใช้แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและทันแก่เวลาพวกเราในยุคนี้ไม่ได้ค้นคว้าพิสูจน์ทดลองธรรมะเหมือนที่เรากระทาต่อวิชาวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเป็นต้นดังนั้นจึงไม่มีธรรมะมาช่วยเรา 3. พุทธจริยศาสตร์คืออะไร เราได้ทราบความหมายคําว่าจริยศาสตร์จริยธรรมมาพอสมควรแล้วต่อไปจะพูดถึงความหมายของพุทธจริยศาสตร์ซึ่งเมื่อแปลตามตัวอักษรแล้วก็คือจริยศาสตร์แนวพุทธนั่นเองอีกในยง่หนึ่งคือจริยศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาท่านผู้ศึกษาปรัชญาถ้าสังเกตจะพบว่า ในประวัติของนักปรัช ญ, ญาแต่ละท่านนั้นจะมีจริยศาสตร์ของท่านผู้นั้นรวมอยู่ด้วยเสมอเช่นจริยศาสตร์ของโสเครติสเพลโตอริสโตเติลหรือของนักปรัช ญ, ญาอื่นๆในสมัยต่อมาทั้งสมัยกลางสมัยใหม่และสมัยปัจจุบันหมายความว่าท่านเหล่านั้นมีทัศนะอย่างไรต่อจริยธรรมหรือความประพฤติของมนุษย์ พุทธจริยศาสตร์นั้นเป็นหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมซึ่งท่านผู้รู้มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นได้ทรงวางไว้เพื่อเป็นมาตรฐานความประพฤติของมนุษย์ตั้งแต่พื้นฐานเบื้องต้นท่ามกลางและระดับสูงเพื่อให้มนุษย์ได้ดำเนินชีวิตอันดีงามตามอุดมคติเท่าที่มนุษย์จะขึ้นให้ถึงได้ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีสติปัญญา มีความสุขอันสมบูรณ์ที่สุดเพราะจริยศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยอุดมคติของชีวิตหรือความดีอันสูงสุดสุพรียมกูตเพื่อขึ้นให้ถึงความดีงามอันสูงสุดนั้นจะต้องมีปฏิปทาพาสเวทเมธอดสำหรับดำเนินคือเป็นการสร้างเหตุเพื่อบรรลุผลถ้าต้องการผลอันสูงสุด ก็ต้องสร้างเหตุให้สมควรกันพุทธศาสนาเป็นกรรมวาทะกิริยวาทะวิริยวาทะคือกล่าวการกระทําและความเพียรว่าเป็นเบื้องต้นแห่งความสําเร็จผลทั้งปวงไม่ประสงค์ให้ใครได้ดีหรือประสบความสําเร็จลอยๆหรือด้วยการอ้อนวอนแต่ให้สําเร็จด้วยการกระทําเองพระพุทธศาสนา จึงได้รับยกย่องจากนักปราชญชาวต่างประเทศบางคนว่าเป็น a self-do-it religion ศาสนาที่ต้องทำเองท่านพุทธทาสภิกขุได้กล่าวไว้ในหนังสือโอวาทปฏิบัติธรรมว่าอุดมคติคือสิ่งที่ดีที่สุดที่ชีวิตควรจะได้ชีวิตธรรมดากับชีวิตในอุดมคตินั้นผิดกันคนเราเกิดมาไม่ใช่เพื่อทำงานอย่างเดียว แต่ควรจะเกิดมาและมีชีวิตอยู่เพื่อจะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่ชีวิตควรจะได้ไม่ใช่เพื่อรวยไม่ใช่เพื่อเกียรติยศชื่อเสียงหรืออยู่ดีกินดีแต่ควรมีชีวิตอยู่เพื่อความดับทุกข์เพื่อพระนิพพาน